ว่า wow. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي ال الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و ل ل ه له. ش ه د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ش ه د أن محمدا عبده ورسوله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 วาจินาตَอ د ร์ชีฮิวามิดาดะ ح ัลิมัติฮิย ي พา م ุ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي ك ل ّ ه و ل ا ت ك ل ن ي إ ل ى ن ف س ي ط ر ف ة ع, ن ف ع ي ن ٍ ح س ِ ي ا ا ل ل ه ن ع م ا ل ك ق ي ق ا ل ل ه م ف ا ت و ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض ع ا ل م الغيبوالشهادةربكل شيءوملك أشهد أن لا إله إلا أنت أ ع و ذ ب ك من شرّ نفسي وشرّ ش ي ا ن وشركه وأن أختلف على نفس سوءاً أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ق ي ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมามัสยิที่มัสยิดอันวาลิสุนาและพี่น้องที่ติดตามรายการเฟ e บุ o กสวรรค์นในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านลฮัมดุลิละก่อนอื่นพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอ์เยอะๆพี่น้องที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความเก่งของเราเลยนะแต่เป็นความเมตตาของอัลลอ์ อัลลอฮประทานให้กับบ่าวของพระองค์ฉะนั้นผู้ที่จะสำนึกก็คือคนที่เป็นมุมินเท่า น, นั้นแหละแต่หลายคนเนี่ยเป็นมุมินจะไม่ได้นึกนะครับแล้วก็เตือนกันนะครับขอบคุณอัลลอฮนะครับที่เราได้ทบทวนอัลกรุรอานปีนี้ปีเท่าไหรน่นี่ปีเท่าไหร่สี่สิบได้ยัง สามสบปดประมาณนั่นแหละนะสามสิบปดีเราทำหน้าที่ของเราเพื่ออัลลอ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราตอนนี้มาถึงสูราะอชูรอพี่น้องคงประชูรอเนี่ยก็ต้องดูศัพท์ด้วยนะท่องศัพท์ด้วยแปลว่าการประชุมการปรึกษาหารือกันแสดงว่า แล้วในกุรานนะพี่น้องสังเกตนะชื่อสูรอนเนี่ยเป็นชื่อสัตว์ก็เยอะเป็นชื่อผู้หญิงก็มีอย่างนี้สุรบะการ้อนเนี่ยแปลว่าวัวสอนให้เราคิดอะไรนะครับอ่านามแปลว่าประสุสัต์และชูรอเนี่ยแปลว่าอะไรนะปร ะ, ประชุมหรือปรึกษาหารือกะนะันเพื่อเตือนเราเนี่ยเราะนั้นมุสลิมเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องอยู่เป็นจามะ ประชุมกันปรึกษาหารือกันอย่าแตกแยกกันอย่ามีหลายคณะมีคณะเดียวพอแล้วเอาลอดเราเราซู้นพอนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปมีแล้วมีเอาลอดกับราสูลพอแล้วนะครับพี่น้องครับก่อนที่จะอธิบาย Al uran, อัลกุรอานอายะที่ยี่สิบแปดอยากจะฝากนะครับว่าที่อลัลลอฮ์เล่าในกักุราอานอัลลอฮ์เล่าอย่างนี้นะครับ ผู้ใดที่ใช้ชีวิตโดยไม่นึกถึงอัลลอฮ์ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้โดยไม่นึกถึงอัลลอฮ์มีเป่าเยอะครับเยอะมากเลยใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แต่มมนได้นึกถึงอัลลอ์เท่าไหร่ครับรู้เปล่าอัลลอ์ไม่ว่าอะไรหรอก อัลลอฮ์เล่าเองนะนูก้อยยืดละหูเราจะกําหนดเราจะกําหนดให้คนที่ไม่คิดถึงอัลลอฮ์นี่นะมีไชตอนอยู่ตัวหนึ่งหนูก้อยยืดละหูไชตอนัน่นไชตอนตัวนี้นะฟะหุวาละหูกอรินมันเป็นเพื่อนสนิทอยู่ในสุรษุครุฟระยะที่สามสิบเจ็ดไชตอนที่อัลลอฮ์ส่งมาอยู่กับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์นี่นะ มีใชยตอนอยู่ตัวหนึ่งเป็นเกรอเป็นเพื่อนสนิทจูงสมองจูงปัญญาจูงความคิดล้างสมองเรียวร้อยหมดเลยเวลาใช้ตอนมาล้างสมองเนี่ยสังเกตนะมันจะปฏิบัติอย่างนี้เขาจะยับยั้งคนไม่ให้ไม่ให้เข้าหาหลักการของอัลลอฮฺจะห้ามเยอๆย่ะเกไปฟังศาสนายาๆยาอ่านยาย คือพยายามยับยั้งคนไม่ฟังศาสนาไม่ให้เข้าหาศาสนาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขากรีมกระยิมกระยิ ม, มวิญญาณซาบูนะอันหน้าหุมมุขต่เดีนยวเขาเขาก็ยิ้มว่าตัวเองอยู่ในทางนำที่ถูกต้องเห็นไหมไม่เอาศาสนาอลัลละฮ์กำหนดชายตอนมาจะมีลักษณะสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือยับยั้งคนไม่ให้เข้าหา ห, าหลักหลักการศาสนา เรื่องที่สองเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองนั้นอยู่ในทางนำที่ถูกต้องอันนี้ทั้งหามาเนี่ยล้วก็ไม่ได้มองมองมองคนมีศาสนามองคนพวกสาราบันมองคนเดินผ่สนโเราวไอ้พวกนี้มันไปไหนไม่รอดแล้วใช่ไหมที่เข้า่ซราวเนี่ยโอ้โหแต่มองดูตัวเองเนี่ยอัลลอฮฺอัลตัวเองเนี่ยแน่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องนี่ละนี่ อ, อัลลอให้ไปเพลินไหม เพลินกับความที่เขาไม่เอาศาสนาเอาล้อให้อร่อยเพ้อเลยอันนี้น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยล้อเล่าให้ฟังนะครับเวันนี้เอม่อไม่อยู่ไซตตอนนี่เนะซตตอนมีอยู่มาอยู่อยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะก่อนที่จะเรียนตับซิดนะหนึ่งซตตอนชอบสถานที่ที่ที่มีคนไปบูชาเจ้าวิต อย่างในเทมเพิลเนี่ยผมพูดทับศับนะเทมเิลนะตุนนั้นเยอะมากคนที่ไปบูชากูโบอันนั้นกับสาตอนเยอะเรื่องที่สองที่ไหนมีเสียงดนตรีหรือที่บ้านก็ได้ที่มีเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับสายตอนเยอะเลยเรื่องที่สามสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกัน ทะเลาะกันบ่อยเมียพูดไม่ถูหูสามีด่าเลยนะ <c oughs> นั่นใส่ตอนทั้งหมดเลยนะม่ได้มาจากทะเลาะมาจากใสตอนต้องนึกโอ้นี่เรื่องที่สี่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่กันสองต่อสองจนอยู่บนรถอย่างเงี้ยใช่ไหมสองต่อสองเนี่ยโ อ, โอ้นั่นแหละใส่ตอนชอบมากเลยเลย นี่นบีเล่าให้เราฟังต้องระวังตัวแล้วแหละนะเรื่องที่สีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่ปะปนกันเยอะๆไอ้ปะปนเนี่ยได้ไหมแต่ต้องอยู่แบบอิสลามไงผู้ชายชอบหน้าผู้หญิงชอบหลังถ้าอยู่กันอย่างนี้ไม่มีปัญหาอยู่เป็นพ่อเป็นพันุ์ก็ได้ผู้หญิงอยู่ตังหา่าผู้ชายอยู่กลุ่มหนึ่งผู้ชายหญิงอยู่กลุ่มหนึ่งอย่างเนี้ยแต่แต่ถ้าปนกันแบบแบบอะไรอะ จัดงานนี่นะโอ้โหมาอยู่ปนก็อันนี้ใช้ตอนเยอะมากแล้วแลวอีกเรื่องหนึ่งในห้องน้ำใช้ตอนอยู่ในห้องน้ำจากนั้นนบีเลยสั่งพวกมุมินทั้งหมดในโลกเวลาจะเข้าห้องน้าให้ อ, อ่านทุอาบบนไหนอัลลอฮุมะอินีอูซูบิกะมินัลฮุบูซีวาลข่าบว่าอีกทีพออ่านทุอาบบนี้ปับใช้ตอนมองไม่เห็นเราแล้วพอเข้าไปในห้องนี่ใช้ตอนมองไม่เห็น พอข้าเป็น้องน้ำสัญญาก็จะ เ, เปลือยปืยกายเยอะมากอาบน้ำบ้างใช่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยใหม่ๆหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเจ็ดแปดเดือนเนี่ยนะเด็กจะร้องคือเรแม่ต้องฉลาดเวลาร้องเต้องดูมดกัดหรือเปล่าอะไรมาทำอันตรายหรือเปล่าเด็กปวดท้องเปล่า ถ้าเช็คดูแล้วไม่มีไม่ปวดท้องมะแลงกัดไม่ปล่อยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีมแลงมากัดปล่อยมาต่อยต้องนึกเลยนึกชาตตอนแล้วชาตตอนมารังแกวิธีไล่ชาตตอนทำงานรึเปล่ายกมือขึ้นถ้าแม่ตรงมีาศาสนายกมือขึ้นแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านสามกุญแแล้วก็ลูปไปบนตัวเด็กเนี่ยตั้งแต่ศีษะเรื่อยลงมาเนี่ยทําอย่างนี้ถึงสามครับ ในเรื่องหนึง่งชาตอนชอบอยู่กับผู้หญิงท้องแก่ผู้หญิงที่อุ้มท้องเนี่ยแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยชาตอนชอบอยู่จะนั้นวิธีไล่ชาตอนผู้หญิงอะ่ะต้องอ่านกัมภีร์เยอะเยอะเรียนรู้ลอยเยอะๆนมาดยาขาดชาตอนมันหนีอ่ะถ้าไปเจอผู้หญิงชนิดที่ไม่เอาศาสนาเลยมีบเปล่าเยอะสินี่เม็ น, นข้อเตือนใจ และอีกข้อหนึ่งสามีภรรยาที่ร่วมหลับนอนกันไม่ได้อ่านดวอาแชร์ตอร่วมด้วยคิดดูสินี่ทบีเล่าให้ฟังแล้วก็ดูอาบาทไหนที่ก่อนที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาให้อ่านดวอาอัลลอฮุมะจันนิบิสลิลลาอัลลอฮุมะจันนิบนาชไทร์ตอร์วะจันนิบไทร์ตอร์มาละซักอัตนา เวลาลูกคลอดออกมานะลูกมีศาสนานะเราจะคุ้มครองถ้าแม่อ่านดวงก่อนร่วมหลับนอนนะเวลาลูกคลอดออกมานะส่วนใหญ่นะเป็นตุด๊ดสังเกตด้วยสิเนี่ยกว่ากว่าจะเป็นกี่ปีเนะี่ะสิบห้าปียี่สิบปีโอ้ทาไมลูกกูมันดื้อแล้วก็เ ล, ล่าลูกกูเป็นยังไงลูกกูกคือวันแรกที่ทุกครั้งที่ร่วมหลับนอนกับภรรยานะไม่เคยอ่านดวงนี่คือ สาเหตุอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ฉะนันศา ส, ส, สนาต้องเรียนต้อไม่เรียนต้องเรียนตลอดไอ้คนไม่เรียนมีไหมล้วก็ช่วยกันขอตุงอาต้อลอร์ลอจ่าให้เราเปิดใจให้เขาได้เรียนศาสนาเถอะเอาวันนี้มาอายาที่ยี่สิก่อนอายาที่ยี่สิมีอยู่เรื่องหนึ่ง27นะครับบาซลตตเนี่ยวาลาบาซลอตนตะถ้าหากอัลลอฮ ให้ริสกีเพิ่มขึ้นโดยไม่จํากัดจํานวนให้เยอะๆให้มากไม่อยากยกตัวอย่างบาไคเนี่ยนะถ้าให้ริสกีเยอะๆล้วเป็นยังไงลาบาเราฟิลอาร์ดิพวกเขาจะกระด้างกระเดื่องหน้าแผ่นดินจะไม่เอาอัลลอ์จะไม่เอาศ า, าสนาฉะนั้นเราต้อง ดีใจว่าอาลัลลอ์ให้เราอยู่สภาพนี้มีบ้างเงินขาดบ้างมีเยอะบ้างอะไรบ้างต้องขอบคุณอลัลลอ์ถ้าให้รวยมากกว่านี้นะอลัลลอ์รู้เองเนรวยไม่ได้มีเป็นร้อยล้านพันล้า น, เ, นเองเสียทุกทีเพราะตัวอย่างในอดีตมีไหมฟารโรเสีย ไ, ไมเย่เสียกอรูนเสียไหมพามาพวกนี้อยู่กล้าเชิดกับอำนาจหมดเลย แล้วเป็นไงครับตกนรกหมดเลยเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังอะ่ะฉะนั้นที่อลัลลอฮ์เล่าให้ซุนนะให้กับนบีให้นบีมาสอนว่านี่แหละคนปัจจุบนันนี้ในยุคของมุฮัมมัดนี้อลัลลอฮ์จะไม่ให้รีสกี้ใครเยอะแต่เวลาให้เยอะต้องนึกมันจะอลัลลอฮ์รักนะให้เพื่อการอะไรนะทดสอบไม่ใช่ฉันรนะักแล้วก็ให้คนนี้น้อยเนะี่ยไม่ใช่เกลียดให้เรืการทดสอกทั้งหมดใจต้องนึก ต้องนึกเป็นเอาวันนี้มาอายาที่28วะฮุนละดียุนอซซิลลไรมิมบาดมากอนาตูวยันซุลรหฮมะตะวะฮุัลวะลียุลฮามีด วะฮ์วัลลัลลิยูณ ذر ุลไยซ์ม um ิ่งบัดมะควนตุกวยันซุลรหมมัตวะฮ์วะฮ์ลวะลิยุลฮามิดอัลลอฮฺอกรห์ฮามดุลิลลาฮฺคุณอานนะมาจากชั้นฟ้านะคุณอานเนี่ยนะเป็นวะฮีนะให้ยิบรีมาให้กับนบีมอสรนเรื่องของเราหมดเลย ดูสั์นะครับอลโลยสู้เนี่ยแปลว่านา้ำฝนอยู่นัสซีลูแปลว่าทรงหลังให้ประทานลงมานาม้ำฝนนี่เห็นฝนตกมาเนี่ยเป็นรามาจากอรล้อนะห้ามดานะอย่างเมื่อวานนี่ลมพายุแรงพี่น้องทำไม้ต้องการพายุขอด้วย่า Allahumma ินีอาสลุกอาขัยร่าว่าขัยร่ามาอาสัลต์เธว่าอ้างุบิคไม่ฉันรีหาว่าันรีมาอาสัลต์เธอเอาเลขอให้ลมพายุแรงแรงมาใยุดถ้ามาต้องการฝนไม่ใช่ดาฝนอ l l a h u m m a um Hawa l al a y n นา a l l a alayna ถ้าต้องการฝน a ل l a h u m บัน a y y i ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาต้องจำอุทาเยอะๆเห็นไหมลมพายุ ม, มาไม่ต้องการลมอ่านอุทาเลยอัลลอฮ์มนี้อัสลกุกะไครราวะคอยร่ามาอัสัลัตฮะอลยวะอูซิบิกะมิชาริฮ์วะชาริมาอัสลตาาัตฮะอลยขอให้ลมหยุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเทนั้นยาดา่าอ่ายาดาฝนยาดาลมอยาดาอะไรกง้ห้ามดา แต่ถ้ามาจังการก็ขอดูอาต่อเลาะเอาขอความคุ้มครองทีนี้น้ำฝนตกลงมาเนี่ยในฮดัดเิ์อธิบายอย่างนี้ความชั่วของมนุษย์ที่ทำไว้บนโลกนี้นีน่คนชั่วมากกว่าคนดีอ๋อจะไม่ให้ฝนตกแล้วก็มีคนถามเวลาทุกวันนี้ ท, ที่ที่ตกเนี่ย ตกเพราะอะไรอลัลลอ์ให้น บ, บีมาเล่าว่าที่ตกเนี่ยไม่ใช่เพราะมนุษย์นะเพราะสัตว์สัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันขอดว้วยอลัลลอ์จะให้ฝนตกมาหน่อยอลัลลอฮ์สงสารเมตตาสัตว์ที่อยู่ในปา่าถึงได้ประทานฝน ล, ลงมามนุษย์ได้ด้วยถ้าจะมีมนุษย์อย่างเดียวบนโลกใบนี้มันมีสัตว์อยู่นะ เอาวันไห้ตกตายไปแล้วเพราะอะไรพวกมนุษย์เนรคุณต่อแล้วรวยนิดนึงก็ตะกับบุตรใช่ไหมมีตําแหน่งหน่อยสูกนั้นก็ด่ากุนั้นด่ากุนี้ยิงตะกับบุตรไม่คุยกับคนอรอออวนเยอยิงขับรถราคาแพงหน่อยก็ตะกับบุตรเนี่ยนิสัยของคนเป็นแบบนี้แต่หากว่าไม่มีศาสนาไม่มีอิมั่นกํากับชีวิตเนี่ยก็ พายุต่อรอหมดเลยไม่ใช่รรู้ทั้งหมดนั่นแหล ะ, ะมิมบาดิมากอนตูหลังจากที่พวกเขาหมดอะไรตายยากุยแและฝนไม่ตกอันนีบลล้บอกลอัลลอให้ให้ฝนตกลงมาตกมากไปหน่อยดาล้ออีกไม่ตกเลยก็ดาวล้ออีกเห็นไหมฉะนั้นนับีเลเมามาสอน ถ้าต้องการฝนขอดวงอาเมื่อต้องการฝนก็ขอดวงอายาดายาดาลมเด็กไหมภูวัลและดีอยู่นัสดีลุยรอยสะอัลลอฮเป็นผู้ประทานนะครับน้ำฝนลงมาหลังจากที่มนุษย์นี่น่หมดอะไรตายอยากแล้วฝนมันจะยิ่งสมัยก่อนเราทำนานกันใช่ไหมโอ้โหขอฝนอยากได้ฝนมาใช่ไหมพอฝนตกมาเยอะน้ำท่วมด่าอีแล้ว ไม่ตกกนได้ฉะนั้นอัครานิสัยต้องดีอมุมินจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามมรยาตต้องงามนะครับต่อมาครับวายันชูรุระหมัตย์ยันชูที่แปลว่าแพร่ขยายรฮมะความเมตตาของอัลลอฮ์พอฝนตกลงมาเนี่ยสังเกตเนี่ย นะครับเอาล่อให้น้ําฝนนี่นะทําให้มีแผ่นดินเนี่ยอะไรนะแผ่นดินเขียวขจีชุ่มใช่ไหมชุ่มชื้นแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นอะไรแต่อะไรเต็มไปหมดนี่มาจากน้ําฝนหมดเลยจากแห้งแล้งสมัยก่อนนีนเราคอนกรีตนี่ใช่ไหมล่ะเวลาฝนตกลงมานีม่มีปลาถามว่าปลามาจากไหนหอ่ะมาตอนแห้งแล้งเนี่ยปลาไม่มี แต่พอฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้กลายเ ป, เป็นตึงมืเริม่มแต่สมัยกลายผมยังจาภาพได้นะ น, นี่ปลาใช่ไหมนี่ไงอัลลอฮ์ได้อะไรนะได้แพร่ขยายความเมตตาของพระองค์อัลลอ์อะไรบ้างให้กับมีภูเขามีต้นไม้ให้มนุษย์หาประโยชน์จากน้ำฝนแล้วก็สัตว์ก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะน้ำฝนที่อัลลอ์ประทานลงมา กาอ่านคุณอ่านแล้วเปิดสมองเรานะ่ยไม่เห็นแก่ตัวนะแต่เห็นต่อคนอื่นด้วยนะครับเอาต่อมาครับวาหุวาลวาลียุลหามีวาลีแปลว่าผู้คุ้มครองผู้หญิงจะแต่งงานเนี่ยต้องใช้ศัพท์คานี้แหละมีวาลีเป็นผู้คุ้มครองจะ น, นั้นผู้หญิงก่อนแต่งงานต้องหาวาลีต้องมีวาลีให้ได้ใช่ไหมยกเว้นคนที่ มารับ伊斯兰เนี่ยผู้หญิงมารับอ伊斯兰ยังมานั่นก็ต้องหาวารีนะวารีใครอ่ะโูนตอนผู้ปกครองอ่าไปหาผู้ปกครองไปขอร้องผู้ปกครองให้เป็นวารีให้หน่อยแล้วก็ขอร้องให้แต่งงานให้ฉันหน่อยนันต้องมีวารียังมาครับอย่างีเป็นต้นเอา ล, ล้อเป็นผู้คุ้มครองทั้งหมดนะครับดูแลทั้งหมดโลกบนี้นะครับให้ใครจนใครรวย ใครเจ็บใครป่วยใครนอนติดเตียงไม่นอนติดเตียงใครแข็งแรงอลัลลอ์ให้หมดเลยฉะนั้นต้องขอบคุณอลัลลอฮ์เยอะๆอีกคำหนึ่งอัลฮามีดผู้ทรงได้รับการสารรเสริญทุกคนจะต้องชมอลัลลอ์ทั้งหมดจะไปชมสิ่งอื่นไม่ได้ต้องขอบคุณอลัลลอ์ใช่ไหมแต่นี่หลายคนเนี่ยไปให้อะไรเนะี่ยไปจุดประทงประทัด ให้กสินอื่นมีบางที่เห็นก็เต็มไปหมดนะจอมนนะ่ะแล้วก็ลงโทษค่อยๆลงทีละคนสองคนส่วนใหญ่ถูกลงโทษแล้วไม่รู้สึกตัวไนงะไม่รู้สึกตัว่าฉันทำถูกแล้วอยังยี้เป็นต้นนะครับอเอาต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่อายะที่ยี่สิบเก้า وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ب َ س َّ ف ِ ه ِ م م ِ ن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمِنْ آ อَา ت ِ ه ِ خ َ ل ق السموات والأرض وما بس فيهما من دابة وه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير الحمد لله นี่พูดถึงเรื่องความสามารถของอัลลอฮ มนุษย์มันต้องมาเหนื่อยเล่าให้ฟังเลยนะอาญาตีแปละว่าสัญญาณทั้งหลายและส่วนหนึ่งของสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์นี่ประทานกุรอานลงมาให้นบีให้นบีมาสอนการสร้างชั้นฟ้าขลกุสมาวาด การสร้างชั้นฟ้าทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลมนุษย์มาต้องมาเหนื่อยหรอกมนุษย์ไปเหนื่อยนู่นทําอิบาด้านนั่นหรือขึ้นมาตะหันยุดนั่นไปเหนื่อยกับยิ้มกับโคนนั่นไปเหนื่อยกับการดูแลโคนนั่นดูแลพ่อแม่ดูแลภรรยาดูแลลูกไปเหนื่อยตรงนั่นมันจะมาเหนื่อยสร้างสร้างอะไรนะสร้างชั้นฟ้ามัต้องมาเหนื่อยนี่อัลลอฮ์เตือนให้เราเข้าใจแบบนี้เลยเป็น บมีนาญาติคลกุสมาวาติวัลอัและส่วนหนึ่งแห่งสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ที่มนุษย์ต้องไขครวนแล้วก็ศึกษาคือการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้เรื่องที่สองวามาบัสซาฟีมาบสสาสน์แปลว่าแพร่กระจายให้มากขึ้น แสดงว่าสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นะ่มีแต่เพิ่มขึ้นนะมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลงบัสซาแปลว่าแพร่กระจายฟีหิมาในชั้นฟ้าและแผ่นดินมินดาดาบาแปลว่าสิ่งมีชีวิตยังมีสิ่งที่มีชีวิตอีกนะครับในแผ่นดินนี่มีไหมมีก็คือมนุษย์ แพะแกะวัวควายสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนั้นมีชีวิตหมดเลยแล้วก็ในชั้นฟ้าน่ะของที่มีชีวิตเนี่ยอะไรอุลามากออ็อธิบายเลยนะครับมาเลยก้าถามว่าโลกใบนี้นี่นะเมื่อแล้วสร้างมาเนี่ยมันลดลงหรือ ม, มันขยายขึ้นมันยายขึ้นนะขยายขึ้นวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับแล้ว แล้วคนก็เยอะขึ้นใช่ไเมืม่อความมีอาดัมคนเดียวใช่ไม่มแล้ววันนี้ประชากรเท่าไรเจ็ดพันล้าน อ, อัลลอฮฺบอกว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่เมุงต้นไม้ ก, ก็เต็มขึ้นเห็นไหมแพะแกะวัวควายก็เต็มไปหมดเลยข้างบนก็เหมือนกันน บ, บีเล่านะครับบนชั้นฟ้านี่มีมล า, ายกาเนี่ยไม่มีที่ว่างแม้แต่สี่นิ้วสี่นิ้วนะี่ไม่มีที่ว่างนะเต็ไมไปด้วยมล า, ายกาหมดเลยอ่ะสุูด มาละอิกากลุ่มหนึ่งกำลังสุญูดมาละอีกลกุมหนึ่งกำลังยืนอีกลุมหนึ่งกำลังรุ ก, กวนหลอกหลับทําอิบะดาตออลลอฮฺหมดเลยนี่เล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราฉันเราเองเนี่ยวันนี้คนมันจะสุญูดมีไหมโอ้โ ห, โ ห, โหเยอะมากเลยอันนี้เป็นต้นนะครับคําว่าดาบาสิ่งมีชีวิตอุลมามะหลายท่านบอกว่ายังมีสิทธ์ ยังมีสิ่งมีชีวิตบนทาองฟ้าดวงดาวเคราะดวงไหนไม่รู้เหมือนมนุษย์เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนี่นะเหมือนมนุษย์เลยแหะครับเพราะนี่อุลมะแนะนำวันนี้ยโฮเดียก็ส่งคนไปซิมาส่งดาวไปอะไรไปดวงอะไรนะยานาัมโบโลไปลงเมืองนั้นดวงนั้นขอพบก่อนเป็นคนแรกถ้าพบปับกูแน่แต่เร า, เ ล, าเล่าให้ฟังกุงอ่านกูแล้ว ข้างบนมีสิ่งมีชีวิตไหมพระเจ้าวดาบะสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้ามีปล่ามีครับอยู่ดาวดวงไหนวันลอกมาแล้วไม่รูร้อย่างนี้เป็นต้นเราเราสบาแล้วเราเราเข้าใจแล้วอ๋อแตนี้หรืออาจจะธิบายว่ามีบนไรก็ใช้ได้ไหมใช้ได้หรือจะมีคนวันลอกมาแล้วไม่รู้ไนงะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อล้อสร้างมาแล้วไปแพรก่กระจายให้มากขึ้นแล้วเนี่ย ล่าตัไปอีวะหวลาวะหัวละวจามัายหิมยมะเนี่ยแปลว่ารวมกันประกาศจะอธิบายว่าวันหนึ่งสปปรรพสิ่งเนี่ยต้องตายหมดหมดอายุมาหมดอายุแล้วเนี่ยอัลลอจะให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งรวมกันทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่สอนเรื่องอฤฤัคดีดาเลย ท่นมนุษย์จะอยู่เท่าไหร่จะมีเจ็ดเจ็ดพล้านเนี่ยต้องตายนะตายหมดครับเมื่อตายแล้วเมื่อตายเลยก็อัลลอฮ์ก็จะให้ยามหมายใหมรวมเขาเขาอีกครั้งหนึ่งที่ทุ่งมาศโอ้โหวันใหญ่ใหญ่มากวันนั้นแต่ามาทุกคนต้องฟื้นหมดครับอิดายาชะถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ก็ดีรุ่นมีความสามารถและก็ไม่บอกด้วยว่าวันที่เท่าไหร่ ไม่บอกวันที่เท่าไรวันเกียมา้าวันที่เท่าไรไม่บอกแต่เล่าให้ฟังว่ามีแน่เอ็งเตรียมตัวก็แล้วกันเมื่อวานเนี่ยมพบคนหนึ่งคนม่นจะเชียงใหม่ก็นั่งคุยกันพราอาจารย์ช่วยอบรมหน่อยผมก็แนะนำบอกว่าเอาล่อเ น, นี่นะ จะคิดบัญชีคนเยในโค้งสุดท้ายของชีวิตโค้งสุดท้ายของชีวิตแบบนักมวยไงนะที่ต่อยต่อยกันนี่ไหมพอดูโค้งยุกยกสุดท้ายอยกุกแรกจะเก็บเก็บคะแนนมาเรื่อยยกสุดท้ายใครยุทนอได้ยิง่งดีใหญ่เลยใช่ไหมคนก็เหมือนกันช่วงแรกแรของชีวิตเนี่ยอลัลลอฮฺปล่อยเอาไปเลย แต่ก่อนตายปีสองปีสามปีสี่ปีห้า ป, 4, ป, 5, ปีทำตัวยังไงนี่เตือนอายุเยอะเยอะแล้วยังไม่เข้าโซราวอยู่เลยอายุเยอะเยะยนุ่งถุงเกงขาสั้นเตะตะก้ออยู่เละอายุแก่ถึงขนาดนี้เลยเนี่ยวยังเดินพาผู้หญิงเที่ยวอยู่เลยถึงจะมีเงินรณ า, าก็มีไปเถอะแต่นั่งเวลากแก่แล้วต่อมอง สราบาหนาดีเป็นแบบมองนาดีเป็นแบบอ่ะเขามามาชยิดคำพ่ออ่านกูรอ่านเขาดิกรุลล้อเขานำมาตัดหัดยุดกันเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นชีวิตของผู้ศรัทธาตอลอดต้องนึกครับเราจะทําแบบคนกาเฟ่ที่อยู่บนโลกดุยาเนี่ยไม่ได้เลยให้เอารูปแบบนาดีสราบาหนาดีเป็นแบบอัลลอฮฺอัลลอฮฺฮันดออัลลอฮฺเอาต่อมาครับ ตัวลงว่ามนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์จะจะอะไรนะจะโค้งสุดท้ายของชีวิตนี่นะเขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมาชีวิตโค้งสุดท้ายนี่ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้อยู่ในศาสนาให้มากที่สุดนะครับศาสนาไม่มีไม่ได้กบต้องมีศาสนาถ้าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์รอซู้กับกูน่าอุสุน่านาบีเท่านั้นที่จะปลอดภัยนะครับ เอาต่อมอายาที่สามสิบว่มาอัลลอฮฺบะกุมิมมูซีบะฟาบีมาคาซาบัดไอดีกุมวายาฟูอังคาสีอัลลอฮฺบอกไปอายาเนี้ยดีจริงๆพี่น้องว่ามบุมมมซบ ฟะบَมะกะซาบัْไอดิคุมวยะฟูอัَกะซีฮ ا มดุลิลาดูสับนะครับอัลอฮะคุมมาแปลว่าอันใดอัลอฮะคุมมาประสบกับสูเจ้ามุซีบา ความเดือดร้อนทุกความทุกขปัญหาเดือดร้อนเขาเรียกว่า ม, มุซีบา้าซึ่งเราเรียกติดปากกันอยู่แล้วใช่มเนี่ยมุเซีบา้ามุซีบา้ามุซีบา้ามุซีบ้าเนี่ยที่มาประสบกับท่านทั้งหลายนะั้นนี่นะไม่ใช่มาเองนะมะันจะเอาล้อทั้งหมดนั่นแหละเนี่เล่าให้ฟังเตือนด้วยฟา บ, บีมากาซาบัตไอดีกุม กาซาบ้าแปลว่าขวนขวายเอาไว้ไอดีสองมือของท่านต่างหลายมือของท่านได้ประกอบเอาไว้เมืมม่ออดีตเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยคุณทำอะไรไว้บางทีก็มาแต่ต่อใบตัวมีใช่ไหมลืมไปแล้วดันั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากน้ำมือของคุณได้ทำเอาไว้ความผิด ต้องนึกทำอะไรบ้างโอ้โหตอนนุมน่มๆเนี่ยไม่เคยเข้าโเราเลยตอนนุมน่มๆเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่อ่านกูรานเลยต้องนึกอะตอนนุนน่มๆเน่นด่าพ่อด่าแม่ว่าโอ้โหเยอะไปหมดนะนึกครับแล้ววันนี้มาเจอนน้นเจอนี่เจอปัญหาเดือดร้อนเนี่ย เป็นการลบล้างความผิดในอดีตถ้าเขาเป็นมุ่มิ่งในเตาซีจอธิบายดีนะครับคนที่ป่วยคนที่นอนติดเตียงแห้งแล้งฝนไม่ตกน้ำท่วมฟ้าผ่าแผ่นดินไหวนี่เป็นความชั่วที่มนุษย์สร้างเอาไว้อลก็เตือนเห็นไมให้ป่วยมีไหมมี ให้นอนติดเตียงมีไหมมีให้แห้งแรงมีไหมมีให้น้ำท่วมมีไหมมีใช่ไหมแล้วก็ให้ฟ้าผ่ามีไม่มีแล้วก็ตากันทีเจ็ดแปดคนมีไหมมีครับทั้งหมดเหล่านี้คนอ่านกุณอ่านต้องนึกแล้วก็มอง ท, ทั่วโลกด้วยโอ้ใช่เลยสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะนํามือของสูเจ้าทั้งหลายจะเป็นใครก็าตามาวัวันไม่ได้ชี้ เพราะได้ทําความชั่วเอาไว้แล้วไม่ได้ตบาตรัวต่อร้อไม่ได้สํานึกผิดต่อร้อไม่ได้ขอดูอาต่อร้เอเราเ ล, ล่าต่อไปอีกว่าญาฟูอังกฤษญาฟูแปลว่าอาฟาทรงอภัยดีไห ม, ไหมดีทรงอาภัยครับความผิดอังกฤษมากมายอัลลอฮฺอัลบัดเห็นไหม มนุษย์เนี่ยทำความผิดต่างเยอะแยะแต่อัลลอ์ไม่เอาโทษอนะัลลอ์ให้อภัยนี่เป็นสิ่ศัติของอัลลอฮ์อานแล้วสบาใจอัลลอฮ์อัลลอ์ให้อภัยอัลลอฮบต้องนึกอัลลอฮกตระวาดพ่อแม่เราอยอัลลอ์ยังไม่ลงโทษเองนะเนี่ยแต่บ้าโทษซนะบางทีก็โทษมาแล้วแต่ไม่รู้ไนงะ <c oughs> อย่าีเป็นต้นเนี่ยลูกหลานเราที่ติดอะไรนะติดของปุญยาเสพติดเนี่ยนี่เป็นอาสาบชนิดหนึ่งที่อลัลลอฮฺส่งมานะ่ะฉะนั้นระวังตัวยังไงครับนี่เตือนพ่อแม่นะครับวิธีระวังลูกไม่ให้ติดยาเสพติดไม่อยู่ทางเดียวกับให้ลูกติดน้ำหมาถ้าปลูกมาหนามาสบอได้นะ่ะทำดูดีละ แต่สมัยนี้เนี่ยสังเกตนะปลูกลูกให้ไปโรงเรียนแต่ไม่ได้ปลูกลูกให้อะไรใ ห, ห้นามาตยังจังครับเอาวะเน็ตเล่นอะไรกันนะมือถืออ่ะก็ทำไงอ่ะนี่เอาล็อทดสอบหมดเลยอะ่ะทดสอบหมดน่ะเกือบทุกบ้านน่ะเป็นกันหมดเลยอะ่ะ ถ้าทำไงครับบางคนเก่งเก่งจลูกนะเล่นไ ป, เ, นไ ป, ไปเวลานะมงสมาสไม่ได้เตือนแล้วฉะนั้นจะเล่นอะไรก็เล่นเถอะถึงเวลาไปนามาส อ, อไปอ่านานามาสซะไปแปลงฟันซะขอดูอาซะต้องฝึกกันในบ้านหมดเลยฉะนั้นลูกเราเสียหายหมดเลยฉะนี้วัมียงมีอ ย, ยังมีอิสลามกากับชีวิตอยู่ทงไม่ค้อบครัวหลายครอบครัว ตบบาโตตวมาหาอัลลอฮฺ سبحانه และก็ตาลวายาฟูอันคืออัลลอฮ์ทรงอาภัยอัลลอฮ์นับทรงอาภัยความผิดมากมายต่อมากมายมาแล้วให้กับคนที่ทำความผิดเนี่ยไม่ไดไม่ได้เอาโทษใช่ไหมอัลลอฮ์ออย่างนึงเวลาอัลลอ์ไม่เอาโทษเนี่ยอย่าเหลิงนะอย่าเหลิง ต้ึกเนี่ยถ้าเราจะเอาโทษเนี่ยเอาเมื่อไราได้ไหมได้คือเวลาสุขภาพแข็งแรงต้องนึกนะสุขภาพแข็งแรงเป็นริสกีชั่วคราหรือทาวอนริสกีชั่วคราวรวยเป็นริสกีชั่วครา ว, ร ว, ร ว, ราวเพื่อนฝูงที่มีอยู่เป็นริสกีชั่วคราวหมดเลยนะทะเลาะ ก, กันเมาาื่อไรไม่มองหน้าก็ได้ใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงเนี่ยกลับไปถึงบ้านไปป่วยได้ไหมได้ทั้งหมด ฉะนั้นอย่าหลงกับริสกีชั่วคราวไปแสวงหาริสกีถาวรดีกว่าอะไรบ้างอ่านกัมรอ่านสม่ําเสมออย่าขาดเป็นริสกีถาวร น, นามาดอย่าขาดมามัสยิดสม่ําเสมอเป็นริสกีถาวรรัการบริจาคสม่ําเสมอเป็นริสกีถาวรการขออุทาศริสกีถาวรการยิกรุล้อริสกีถาวรการทําดีกับพ่อแม่เอาเงินในีภรรยาชายเป็นริสกีถาวรครับ การให้อภัยกับคนกับคนที่ด่าเราเนี่ยเป็นฤสษีถาวรพยายามแสวงหาฤสษีถาวรจะจะจะจับหน้าที่ป้องกันตัวเราไม่ให้ถูกอาดาบนะครับแต่อาดาบมาั้มมาเป็นการถ้าเราไม่มีความผิดเวลาการลงโทษมามมซิบามาเพิ่มความดีให้กับเรา แต่ถ้าเรามีความผิดมุซีบ้ามาลดโทษกับเรามันดีทั้งหมดเลยถ้าเข้าใจหลักการอิสลามนะดีทั้งหมดเลยอัลลอฮฺอักบารอัลล์นี่นเะมตตามนุษย์นะเมตตาย่างนี้ที่เรียนเรียนมาแล้วนะอินนัลลอฮฺาตีคุณอัลลอฮ์ทรงเอ็นดูข้างว่าเอ็นดูอธิบายจะสามอย่างหนึ่งอัลลอ์ประทาน อานมาเป็นทางนำสองส่งนบีมุฮัมมัดมาอธิบายอุไรนด้วยการปฏิบัติให้เห็นสบายใจไหมอ่านมาียังไงนบีทาให้เห็นหมดเลยนบาีายังไงสอนให้เห็นหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาทําผิดอัลลอฮ์ประวิงเวลาไม่รีบลงโทษนี่เป็นความเอนดูของอัลลอฮ์แล เอ็นดูพี่น้องกับไม่รีบลงโทษแบบสมัยก่อนเนี่ยนะเพื่อให้เราได้สำนึกผิดสารภาพผิดหันมาเรียนศาสนาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองซะเมื่อดีแล้วเนี่ยอย่าคุยตัวกูแน่มาสู่เราทักสองปีสามปีดูถูกสภาพไปแล้วสู้กูไม่ได้อย่าย่าอยาอยา่อย่าพูดอย่าพูด จะดีเด่นขนานัให้ทอมตนเอาไว้เออคําว่ามุสลิมแปลว่ายอมจํานวนตนต่อลรอดโดยสิ้นเชิงเองจะเด่นจะรวยจะมีความรู้ห้ามตะกระบดให้ yesterday. ทอมตนทอมตนทอมตนทอมตนทอมตนเอาต่อมาครับในตัฟซิดอ ธ, ธิบายดีนะหลายเล่มในตัฟซิดอิบนุกะซิรมาดาริกกับีรนันก็หลายเล่มเนี่ย ที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษในรี บ, ไ ม, รบไม่รีบเอาโทษเลยนะอัลลอฮ์ให้อภัยนะนี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์นะครับเอาต่อมาอายาที่สาอดว่มาอันตุมบิมะจีนฟิลออร์ว่มาละกุมินดูนิลอฮิมิวาลิวะละนอซิร ว่มาอันทุมบิมูอัจจีนฟิลอาร์ดว่มาล่คุมมินดูนอิลลัฮิมุวะลีวะลาณซิลอัลฮัมดุลลอฮ์อันนี้เตือนเตือนผ่านนบีให้นบีมาสอนบอกว่าม้วนจีีนมาแปลว่าไม่ อันตุ้มท่านทั้งหลายมั่ยยิ น, นียหนีเองจะหนีไปไหนหนีไม่รอดเอานี่เล่าให้ฟังเตือนให้รู้เอง็งหนีไม่รอดไอ้หนีคุกหนีตารางนี่ก็พอไหวหรอกแต่หนีจากการลงโทษของอัลลอ์เอง็งหนีไม่รอดนี่เตือนให้รู้อ่ะ น, นึกถึงนบีมูซาใช่ไหม ต่อยพวกกิบตีเขาทะเลาะกันใช่ไหมพวกฟาโร ก, กับพวกอิสราเอลเนี่ยทะเลาะ ก, กันนบี ม, มูซาเดินมาพวกนิสโรยินเฉยมูซามาช่วยหน่อยพอมูซาเข้าไปห้ามห้ามแบบไหนไม่รู้แล้วไ ป, ไปยันนะฮะแลตายอะ่ะบาปไหมบาป ฆ่าคนนีบ้บาปไหมบาปครับในคุรานอธิบายชัดนบีมูซาตบ้าตัาตวจอดรออัลลอฮ์อัลพยาโทษครับแ ต, แต่ฟิโรนไม่ยอมต้องจับตัวมูซามาให้ได้มีคนมาบอกมูซาหนีเหรอพอในวังเขาเล่งงานคุณแล้ว <laughs> ในวังฟาโรนู้นะเขาเอาคุณแน่ครับบอกให้หนีมูซาก็หนี่ะ นีไปอยู่บ้านน บ, บีไร้น บ, บีชอยไปเลี้ยงแพะกี่ปีเอาสัส้นๆอย่างนี้นะสิบปีอะพอแปดปีเนี่ยเขาให้แต่งงานกับลูกสาวน บ, บีชอยเราอยู่ไปอีกสองปีเป็นสิบปีเนี่ยเป็นมหาสนะไอ้นนี้แบบนี้เนี่ยพ อ, พอหนีไหว แต่หนีจากการลงโทษของอัลลอ์ไม่มีสิทธิหนีสักคนหนึ่งนี่เตือนว่ามาอันตุมบินหอยิซีนฟิลอาฟตีบนหน้าแผ่นดินใบนี้คุณไม่มีสิทธิหนีไปไหนเลยให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอ์เห็นไมย้องจำนวนตน ต, นต่อ อ, อ, นะอัลลอฮ์เจอะนะเอาต่อมาครับว่ามาละกุมมินดูนิล มาและกุมสำหรับสูเจ้าก็ไม่มีมินดูนิละอื่นจากอัลลอวาลียินผู้คุ้มครองอาญานีอัลลอฮเล่าให้นบีฟังให้นบีไปไปไปโต้อตอบคนมุชริกในนครมักกาเนี่ยเขามีนี่เขาเรียกเจ้าที่ไงตรงนี้มีเจ้าเจ้าที่อัลลอฮไม่เกี่ยวเจ้าที่ดูแลใช่ไหม แบบพวกเราวันนี้แลใช่ไหมลนะ่ะอันนี้เจ้าที่อันนี้ก็เจ้าที่อ๋อหรอย่าผมเล่าให้ฟังอะ่ะที่บ้านก็มีมีงานแล้วก็เอาเครื่องขยายเสียงมาสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีนะเอาเครื่องปั่นไฟนี่ยมาแล้วเครื่องปั่นไฟเนี่ยพอปั่นไปไปเครื่องมันเสีย แล้วก็มีโตคนหนึ่งมายีดอเหมือนมาทาอะไรอ่ะไม่ได้ขออะไรเจ้าที่เจ้าทางเลยย้อนรู้ลแล้วที่พูดมาถึงเจ้าที่เจ้าทางนั่นมาถึงพวกยินไชตอนน่ะสิดูแลอยู่ที่ตรงนี้อ่ะมึงไปเรียนมาจับมักการมาหนูโหมึงทำอะไรเพีย้ยนเยอะมากเลยย้ก็บอกว่าอ้ชนวนเนี่ยมันที่มาให้ฉันนะ่ะนี่ชื่อฉันนะ่ะ ท่านเปนเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าของที่ใหญ่ เ, เองมีอิทนี่ชริกมาเนี่ยช ร, รชริกนะี่อาหรับมุสริกนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนไทยเมื่อสมัยห้าสิบปีที่แล้วอ่ะเชื่อว่าตรงนี้เป็นที่ของเทวดานั้นเทวดานี่อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวนะอัลลอฮ์มีหน้าที่สร้างแผ่นดินแล้วก็สร้างอะไร น, นะ สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนจะให้ใครไม่สบายให้ใครรวยไม่ใช่อัลลอ์นั่นอาหรับสมัยก่อนเขาเชื่อกันแบบนี้นะแต่ดูวันนี้หมดแล้วนะมำดยิล่องอัลลอ์สมงกุรอานมาเคลียร์หมดเลยแล้ววันนี้พวกเรายังมีป่าวมีครับเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางามชีวิตทั้งหมดเนี่ยาตาใ น, นสภาพนี้ไม่ยอมต่อใาตัวนะถูกลงโทษกนะูโ บ, บเลยนะ ต่อมาครับวารีผู้คุ้มครองอื่นจากอาลัลลอ์ไม่มีครับวะลานาซีผู้ช่วยเหลืออื่นจากอาลัลลอ์ก็ไม่มีเห็นไหมตํากหนจะบอกว่าอะไรนะ อ, อ, อนุเคราะห์อนุเคราะห์ในวันเกีย ม, มาเนี่ยเช่นความดีกับความชั่วมันเกิดเท่ากันมันจะไปไหนอ่ะ ต้วิงหานาบีอะนบีจะช่วยฉันหน่อยเถอะความดีกับความชั่วมันเกือบเท่ากันนรกก็ไปไม่ได้สวรรค์ก็ไปไม่ได้ก็จะไปหานาบีนบีก็ขออนุญาอตต่อร้องเพราะเรื่อว่าชาฟาอานี่แหละตัวช่วยแค่นั้นต้องผ่านอัลลอฮ์หมดเลยผ่านนาบีก่อนแล้วนบีก็ไปขอกับอัลลอฮ์อย่าไปคิดว่าทันจะไปสวรรค์แน่นะบางทีดีกับชั่วมันเกิดเท่ากันเท่าไงบางทีเข้าสวรรค์ไปแล้วต้องการที่จะอัปเกรด ไปอยู่ในชั้นพิเศษเนี่ยทำไงต้องเวรหานาบีอีกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นอะกิดาของพวกมุสลิมทั้งโลกเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับตกลงว่าหนีรอดไหมหนีไม่รอดเอาต่อมาครับมีหะดีสบทหนึ่งของท่านหญิงอาอิชาจากฮิดบุคอารีกับมุสลิม นะครับอธิบายบอกว่ามุมินเนี่ยเป็นอย่างนี้มุมินที่พบกับความเหนื่อยยากมีไหมมีอย่างเดินมาสู่ลาเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยทำงานก็เหนื่อยอะไรก็เหนื่อยความเด็ดเหนื่อยที่มาประสบกับมุมินป่วยเรื้อรังหรือป่วยติดติดเ ต, ด ต, ด ต, ด ต, ดตดียงความวิตกกังวลที่อยู่ในใจมีไหมมีครับ แล้วก็ความเสีย อ, อกเสียใจคนนั้นตําหนิเราคนนี้ตําหนิเราเสียใจทั้งหมดเหล่านี้เรานิ่งเงียบไม่เคยโต้อตอบตอนนั้นๆก็โต้อตอบบ้างทีสมที่สามสี่เรื่องนี้มีอยู่สี่เรื่องใช่ไหมหนึ่งความเหนื่อยสองป่วยเรื้อรังสามความวิตกกังวลสี่ความเศร้าโศกเสียใจแม้แต่น้าตําหรือเดินชนรอดสมัยก่อนบ้านสูงใช่ไหมถูกน้ําตํา เดินแล้วมันพริกเท้าพริกแล้วก็ล้มหกล้มอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นมุสีบาที่กฟาฟารอลดโทษหมดเลยครับฉะนั้นเดินล้มเนี่ยต้องนึกเอาเราจะลดโทษทเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ไหมรองเท้าเคยหายไหมเออเ ห, หนื่อยเหนยหายรองเทา้าอ่ะผมไป ทำพัสอรงเท้าหายพอ ร, ร่วมอีวันหนึ่งมาเจอในที่เก่าเพราะววเนี้เราทดสอบมาวางในที่เก่าเลยที่มาวานี่เราหายนั่นแหละมาได้ยังไงนี่เป็นการทดสอบจัไอเหนื่อยไเหนื่อยครับกังวนลใจแล้วเดินท้าเปล่าซาอุดีน่ะเย็นเย็นหรือร้อนอ้โว ทั้งหมดแล้วนี่นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับเอาต่อมาครับอายะที่อายะสุดท้ายนะครับว่ามินอายาติฮิอัลจาริฟิล บ, บ ح ر ิกะเลอาลาม ว่มินอายติฮีอัลจาวาร์ฟิล بحر ์กัลอาลัมฮั ح ดุลิลอฮยะสุธาของวันนี้พูดถึงเรื่องเรือในมหาสมุทรเรือเรือท้องทะเลนี่แหละที่มนุษย์ทำนี่นะความคิดเอามาจากไหนเตือนให้รู้นะนี่อัลล ให้สมองมาให้สติปัญญามาแล้วก็สร้างเรือกูอานพูดมาแล้วนะก่อนที่ฝรั่งจะสร้างเรือนะ่ะเรงสร้างมา200ปีหรือสามร้อยปีใช่ไหมแต่กูอ่านมาพันสี่รปีแล้วพูดเรื่องเรือในธรรมานะุมหาสมุทนระใช่ไหมเรือในมหาสมุทรวะมินอายาติฮีอายะาแปลว่าสัญญาณทางหลายของ Allah, อัลลอฮฺอัลเจวาลิ ยาวาดแปลว่าเรือหรือนาวาที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรนั่นของไข่ครับของอลองหมดเลยเล่าอธิบายงี้ฉันจะให้จมเมื่อไรก็ได้เรือที่จมไม่เบาเชื่ออะไรนะท้านนี้แก่ให้ไหมเลาให้เห็นหมดแล้วไอ้เรือที่แล่นได้วันนี้นะเพราะลมนะ่ะลมพัด กับเครื่องยนต์เม็นไหเนี่ยอัลลอฮ์เตือนฉันเองจะอยู่ตรงไหนก็ตามนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆจะคิดว่ากูแน่กูแน่แล้วก็ไปอะไรเรื่องอะไรตั้งโมใช่ไหมพอดีตั้งโมเนี่หลายเดือนเลวยังไม่จบเลยทีน่ะก็ดูก็ต่อไปน่าจะเป็นเรือเหมือนกันเรือเรือใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี่มีอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องเรือใหญ่อาจจะว่ามาถึงนาวาฟินบาฮีนายอะไรนะ ในมหาสมุทรภาษาอุ ด, ดูเนี่ยมหาสมุทรในภาษาอุ ด, ดูแปลว่าสมุนเดินแปลว่าท้องทะเลท่านเรือที่วิ่งในมหาสมุทรเนี่ยนะกนารอาลามเหมือนกันเยี่ยงขุนเขาเยี่ยงภูเขาใหญ่คนนี่ลืมอะไอแล้วคิดถึงมิสเตอร์นั้นมิสเตอร์นี้ เองทำชัยวทุกมืเลยมีความสามารถอลัลลอ์ให้ปัญญาคนนี้มาไม่ใช่ไม่ใช่รู้เองนะอลัลลอ์ให้ปัญญามาเราคิดสามโนนสางนี้ทำโนนทำนี้ให้โยมไปหาร อ, อให้เจอท่านมุสมินเราเนี่ยเราไม่ไ ม, ไม่ไม่จบที่คนนะจบที่ขายนะจบที่อลัลลอฮ์สุดพานแล้ว ว่ามินอายาติฮิอลจวาริฟิลบาริกาลอาลามผมเช็คขดิษนะคำว่าบาหรุทะเลเนี่ยทะเลเนี่ยในวันเกียงมาเราแม่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอะไรมหาสมุรทั้งหมดจะเป็นนรกฉะนั้นไฟนรกจะมีไหมมีครับนบีเล่าเองนรกอยู่ที่ไหน มหาสมุทรทั้งหมดเป็นนรกหมดเลยครับอาถาว่าดินบกกับน้ําเนี่ยใครมากกว่ากันน้ํามากกว่าเอาเสร็จแล้วมันนรกมากกว่านั่นอนะ่ะมากกว่าสวรรค์นะทําไมครับเพืเจะเตือนให้รูร้มนุษย์มันชั่วมากกว่าเป็นคนดีนรกมีไหมมีครับนบีเล่าเองนะฉันจะเปลี่ยนทะเลให้เป็นนรกหมดเลย อย่าลืมนะใบหูของชาวนารกเนี่ยกับไหลเนีนะ่เดินเดินสามวันไหลนี้กับไหลนี้นะ่ะเดินเจ็ดวันและที่นั่งของชาวนารกนี่นะตั้งแต่มักกะกะมาดินานะหนึ่งคนนะมักกะกบมาดินเนะี่ยเดินความกินที่ของคนนะรกคนหนึ่งนะ คนไปมาก้ามารู้ใช่ห ม, มาก้ากันนั่งกันรถกี่กี่ชั่วโ ม, มองอะ่ะนั่นละเป็นที่นั่งของคนชาวนรกคนหอนอึ่งหูกับไหลเนี่ยเดินสามวันอโอ้โหทำไมหนังหนาละ่ะเพื่อจะให้ทดสอบให้เขาได้เจ็บเนะ่เจ็บนั่นนาอ๋อโลโลมาแรงต่อยเจ็บเจๆบเจบเจบเจบพอาหายดีต่อยอีกแล้วเจ็บทรมา ฉะนั้นไปสวรรค์ดีกว่า น, นมำอาจะขาดมาอ่านกุรานมาดิกรุลล้อเอาเงินให้ภรรยาชายอัลลอฮฺจะดาภรรยา่าดาลูกอย่าทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยลูกประเภทนี้นะครับอัลลอฮเล่นงานหมดหมดเลยนะครับพี่น้องหมดแล้วนะไม่มีอะไรนะจบนะวันนี้มาอายะที่ที่สามิบสองว่ามินายหาิลจาวาริลฟิลบาดิกัลอาลา ส่วนหนึ่งแห่งสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ก็คือนาวาทั้งหลายที่ลอยพองอยู่ในทะเลเยี่ยงภูเขานี่เป็นอาลามาดเป็นความเบี่งใหญ่ของอัลลอ์ไม่ใช่ของมนุษย์แต่อัลลอ์ให้มนุษย์ทำเพื่อให้มนุษย์จะได้คิดถึงความเบี่งใหญ่ของอัลลอฮ์ุบฮานะฮูวะนาลาสุบฮานุกรลอฮุมะวะบิฮัมดิกรสุเยละลาอิลลาตสตฟุวตูบิเลย o m at h o m n